นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเนจาวาตสังคาราอุปาดาวะยธรรมิโนอุปชิตวานิรุจจันติขยะวะยธรรมาสังคาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติติ วันนี้นับว่าเป็นวันสูญเสียผู้ที่เรารักเคารพนับถือท่านหนึ่งในวงสาคาน า, ายาตญาตมิตรสหายแต่จะทำยังไงได้ชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ต้องไหลไปตามสภาพนี้แก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ อย่างพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตัดสรู้เป็นผู้มีพร้อมหมดทุกอย่างแต่ถึงอย่างนั้นก็จะต้องอได้จากตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงทุกระดับที่พวกเราได้ยินที่เกิดมาในโลกนี้ ถึงจะเก่งกลาดสามารถถึงขนาดไหนแต่ผลที่สุดก็จบฉาก เ, ออเรียกว่าปิดฉากหมดไปแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมาพูดถึงอะไรกับพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้คนเราเกิดมาในหลักธรรมคำสอนหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปราช ท่านได้เปรียบเทียบ ว, ว่าคนเราเกิดมาทุกๆ ท, ท่านเกิดมาคือกายนครคนะท่านเปรียบเทียบนะคล้ายๆกับทำเป็นละครเรียก ว, ว่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วว่าร่างกายเนี่เหมือนกายนครคที่คลองกายนครค น, นี่ก็คือพยาจิตราตคือพยาจิตจิตใจนามธรรมเรียก ว, ว่าพยาจิตราตครองกายยนครคอน แต่เมื่อครองกายยนครพยาจิตรราศในกรลุ่มหลงมัวเมาว่าร่างกายสังขารหรือว่าร่างกายของเรา เ, เป็นของเราแท้ๆ เ, เราจะบอกให้ไปอยากจะทําอะไรอยากจะรับอยากจะนอนอยากอะไรเราจะใช้ได้ทั้งหมดพยาจิตราชนกระเพอะอกพอใจในกายยนครของตนแต่พร้อมกันก็มีพยามัจจุราชเาทจะมาเป็นเพชฌขาด หรือว่าเป็นผู้มาแย่งชิงกายยนครของกับพญาจิตรราชจากนั้นพญาจิตรราชก็ใหม่ๆก็ไม่มีอะไรพอต่อมาต่อมาจึงรู้ว่ากายนครนี้จะมีพญา ม, มัจจุราชจะเข้ามาแย่งชิงกายยนครจากนั้นพญา ม, มัจจุราชก็ส่งทหารเข้ามาชลาพญาธิ ชราก็คือความแก่พญาที่คือความเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายก็คือสรุปแล้วก็คือมาแย่งกายยนครแต่ในในพญาจิตรราชเนี่ยก็เห็นว่าพญามัจยุราชส่งทหารเข้ามาหลังควานเข้ามารบกวนกายยนครพยาจิตรราชจะตั้งขุนพลขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กับพยามัจยุราชก็ต้องเตรียมพร้อม ให้พญาโอสถพยาเพศศข้าใ่าขุนพลโอสถขุนพลเพศศคื อ, อยาออกไปต่อสู้ในเมื่อพญามัจุราชส่งทหารพญาที่ขามาตีศีรษะเราปวดศีรษะขุนพลโอสถขุนพลเพศศก็เข้าไปสู้เอาอยาเข้าไปสู้ บางทีก็สู้ชนะพอชนะไปพญาจิตรลักษณก็ดีอกดีใจเพราะว่าทหารของตัวเองเนี่ยขุนพลของตัวเองเนี่ยชนะทหารของพญามัจจุราชจากนั้นก็ล่าถอยไปต่อมาทหารพญามัจจุราชก็ไม่ลดละส่งชรลาเข้ามาเรื่อยตีตาเข้ามาตาฟ้าฟางังตีหูเข้ามาหูตึงตี ปากตีฟันเข้ามาฟันล่วกตีหนังหนังเหี่ยวตีผมผมงอกขยับเข้ามาเรื่อยๆพยามัจยุราชส่งทหารเข้ามาแต่พยามจิตรราชได้่ยเขาไม่ลดละก็พยายามส่งขุนพลพยาเพศศพยาโอสถออกไปสู้เป็นระรอกระรอกระรอกอแต่ถ้าหาว่าพญามัจยุราชมีความเฉลียวฉลาดหรือว่ามีความ นึกในใจว่าถึงยังไงอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องผายแพ้พยาแมตรุราตแน่จิตจุดนี้แหละถ้าหากว่าพย า, าจิตราชไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากท่านผู้รู้พยาจิตราตก็คงจะแข็งข้อสู้อยู่ตลอดไปแต่ว่าถ้าหากว่ามีคนมีบันฑิตนักปราช์มากะสิบกะทราบว่าเอาเถอะนะจิตราชนะ ถึงท่านจะสู้ยังไงก็สู้เขาไม่ได้นะอีกสักวันหนึ่งนะเราจะต้องแพ้เขาท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะท่านควรจะทำอะไรควรจะส ะ, สะแสวงหาอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติท่านควรจะเตรียมพร้อมสิ่งไหนที่มีคุณค่าเพชรนินกินดาเงินคาทรัพย์สมบัติท่านควรจะเก็บพร้อมรอมเร็บใส่กระเป๋าใส่ที่ทัพผสมภาระ เตรียมเอาไว้แต่เมื่อพญามัจุราชเตยกายยนครเข้ามาเมื่อท่านสู้ไม่ได้ท่านาก็ได้ขนทรัพย์สมบัติออกจากกายยนครนี้หนีออกไปตั้งเมืองใหม่ขึ้นมาอีกท่านต้องเตรียมไว้นะถ้าหากว่าท่านไม่เตรียมไว้เนี่ยท่านจะหมดตัวนะอันนี้คือบัณฑิตนักปราชญ์ที่มากระสิบกระซาบพญาเมจิตรราช แต่ถ้าพญาจิตรราชมีความเชื่อถือว่าเออใช่เราไม่ควรจะตั้งอยู่ในความประมาทนะพญาจิตรราชนั้นก็จะเตรียมพร้อมเก็บหอมลอมริบทรัพย์สมบัติเอาไว้ถ้าจะเปรียบเทียบให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพญามัจยุราชก็คือความตายทหารของพญามัจยุราชชราพญาธิพญาจิตรราช รองกายยนครคคือของร่างกายของเราจากนั้นก็ได้ส่งทหารก็คือพญาโอจดคือยาและเพศตึ์เข้ามาปะทะกับทหารของพยามัจจุราชแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีใครที่จะเอาชนะทหารมัจจุราชได้ผลี่สุดพยามัจจุราชก็เห็นว่าเพียงพ้าก็มาจัดการพญาจิตราชก็หนีเอาหางจุกตูด ออกจากกายยนครอย่างที่หลวงพ่อสุนทรของเราเนี่ยอันนี้แปลว่าพ่ายแพ้ต่อทหารพญามัจจุราชแล้วพญามัจจุราชเข้ามาครองเมืองเต็มที่แล้วแต่พญาจิตรราชของหลวงพ่อสุนทรที่ท่านได้สั่งสมขุณงามความดีท่านได้เก็บหร้อมรอมริบท่านได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของท่านแล้ว อันนี้ละจุดนี้เป็นจุดที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายต้องดูซิว่าในร่างกายนี่ถึงจะเลี้ยงดูธนุถนอมอประครบประงมะดูแลดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอมันไม่ใช่ของเราพยาจิตรราชควรจำเนึกไว้ควรจะเตรียมพร้อมเอาไว้ แต่ถ้าว่าพยามัตจุราชตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเรามาอยู่กายยนครนี้ก็ให้เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาและให้สังสมคุณงามความดีอันไหนที่เป็นคุณงามความดีเราก็พยายามทำสิ่งนั้นให้มากที่สุดให้ดีที่สุดอย่าตั้งอยู่ในความประมาทในเมื่อเราออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วเราก็จะไปสู่เพราะเรามีสมบัติ สมบัติก็คืออะไรคือบุญคนที่มีบุญคือคนที่มีเงินวิญญาณที่มีบุญก็เหมือนกับคนที่มีเงินจะไปตกในสถานที่แห่งใดออกจากเมืองไทยไปแล้วไปอยู่เมืองนอกเมืองไหนก็มีบัตรเครดิตมีเงินฝากไว้ในธนาคารไปนสถานที่ใดก็ได้รับความสงบรบเย็นเป็นสุขพัาสุขทางนั้นเพราะอะไรเพราะคนมีเงิน แต่ถ้าว่าคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมมาอยู่เมืองไทยอยู่ด้วยความประมาทมีแต่กินเป็นวันๆเที่ยวเป็นวันๆสะสมความชั่วไปเป็นวันๆถึงจะไปสะสมความชั่วก็เถอะแต่ไม่ได้ใส่ใจว่าตายแล้วเกิดคิดว่าตายเกิดมาแล้วก็เกิดมาตายแล้วจะไปที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติไม่ได้ศึกษาทำคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แปลว่า เป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานคาทศไทยญาติโยมทุกท่านได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่างที่หลวงตาสุนทรที่ท่านจากไปท่านก็ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้พอสมควรเพราะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูนทําไมว่าตายแล้วไม่ศูนยหยองหลวงพ่อเคยยกเป็นอุตาหอหรือเป็นเรื่องราวขึ้นมาในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าศึกษาอยู่ทั้งหปีค้นคว้าเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ไปค้นคว้าหาเรื่องต่างๆอย่างที่ตัวเองต้องการ แต่นี้พระพุทธเจ้าสิทธะของเราไปค้นคว้าศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของใจพระองค์ไปศึกษาอยู่ตั้งหปีไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่แถวพุทธคยาประเทศอินเดียพอวันเดือนหกเพนพระพุทธเจ้าได้นั่งสมาธิในคืนวันเดือน6เพนนั้นวันนั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตัดสูรเรียกว่าเป็นวันสูตรสาเร็จเรียกว่าเป็นวันสำเร็จของพระพุทธเจ้า จากนั้นพระ อ, องค์ได้นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำํทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรั้วาหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นพระไทยหรืใจของพระ อ, องค์ความรู้สึกของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจไม่ปุงไม่ฟุ้งไป่ซ่านไปทางอื่นรวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานพอเกิดฌานขึ้นมาแล้วพระ อ, องค์รำลึกชาติผลหลังได้เนื่งว่าปุเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละคือเป็นการตัดรู้ของพระ อ, อนุตรสัมมาสัมบูรณยานเป็นบันไดขั้นแรกพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ก็มองคนอื่นสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้เกิดมาเพราะกรรมกรรมคือการกระทำ ถ้าตัวเองทําดีก็ไปในเกิดในสิ่งที่ดี เ, เมื่อพญายจิตราตอยู่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสั่งสมแต่คุณงามความดีพอออกจากร่างนี่แล้วก่อนเนี่ะไปเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปเกิดสวรรค์ชั้นผอมที่ไหนก็ได้เพราะเป็นวิญญาณที่มีบุญแต่ถ้าวิญญาณตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้คิดถึงบุญไม่ได้คิดถึงกุศลที่ได้เกิดมาแล้วมีแต่ทําความ ชั่วช้าเสียหายเลี้ยงชีวิตเป็นวันวันพอตายจากศาตรนนี้ลงไปแล้วอาจจะเป็นเกิดเป็นหมูหมากาไกา่เป็นสัตว์ที่รชานนาน า, นานชนิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นไปได้ทั้งนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ก็มองดูปัถมยามคือตอนหัวค่ำพระ อ, องค์มองพระ อ, องค์ก่อนว่าเรามาจากไหนมาเกิดเป็นสิทธฐานเนี่ย เรามาจากที่ไหนพระ อ, องค์ก็รู้ได้ว่ามาจากสวรรค์ชั้นดุสิตกาลังจะขึ้นไปชั้นสูงขึ้นไปแต่มีพรมอารัธนาให้ลงมาเกิดพระ อ, องค์ก็ได้ลงมาจากสวรรค์ก่อนจะขึ้นไปสวรรค์นั้นมาจากไหนพระ อ, องค์ก็มองไปอีกจะเป็นพระเวทสันดอนกับมองไปอีกก็เป็นขั้นตอนกันเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายออกมาจากบ้านผ่านที่ไหนมาบ้างวันนี้ อันนี้ก็เหมือนกันอันนั้นว่าอดีตชาติจะว่าปุบเพนิวาสานุจติยา น, นระลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนท่านมองคนอื่นมองคนรอบด้านอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งอยู่นี้เป็นร้อยร้อยคนไม่เหมือนกันเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็รู้แล้วว่าต่างกันแต่ละคนนี่ก็ต่างกันอีกท่านีรูปร่างหน้าตาหน้าตาเหมือนกันแต่ว่า ความโง่ความฉลาดความร่ํารวยความสวยงามกีร่ายกีเลต่างกันอีกเพราะเหตุใดเพราะกรรมคือการกระทําถ้าว่าเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะพาสู่ความสุขหรือความสวยงามหรือความสมบูรณ์โดยทรัพย์โพกทรัพย์สมบัติอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นอีกแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นพระ อ, องค์จึงบอกว่าความชั่ว อย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำแล้วความชั่วนั้นจะให้ผลติดตามให้ความทุกข์เมื่อภายหลังถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีนั้นจะพาพวกเราไปสู่สุขคตินี่แหละพระพุทธองค์มองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคารศตถ ايا ญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่ได้ศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราเชื่อเทว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก เพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวปุเพในวาสานุสติญาณลำเลึกชาติผลหลังได้ถ้าว่าพระองค์เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวพระองค์จะละลิกชาติผลหลังได้อย่างไรเพราะเกิดมาชาติเดียวมีวันนี้วันเดียวเมื่อวานไม่มีเราจะละลึกถึงเมื่อวานนี้ได้อย่างไรอันนี้พระองค์เห็นละลึกถึงเมื่อวานนี้ได้วันก่อนเดือนก่อนปีก่อนได้ก็ะเพาะว่าพระองค์มีพบก่อนชาติก่อน เพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญสรุปได้อย่างนั้นตายแล้วเกิดอีกแน่นอนคํากรรมดีกรรมชั่วบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเพราะนั้นอย่าทํากรรมชั่วดีกว่าท่านใครทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลพวกเราจะได้รับความทุกข์ยากลําบากเมื่อภายหลังในครั้งพุทธกาลอย่างพระวัดป่าเชตตะวันมหาวิหาร ไม่ใช่แต่ว่าเกิดเป็นพระบวชเป็นพระจะไม่ตายไม่ใช่นะพระในครั้งพุทธกาลก็มีมีพระองค์หนึ่งท่าน เ, เป็นพระแต่ว่าพระในตายแล้วไปสู่สวรรค์ทั้งหมดใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมถ้าพระทำกรรมชั่วพระทําสิ่งที่ไม่ดีพระอาจจะตกนรกลึกจริงกว่าเป็นครวญซะอีกเพราะเหตุไร พว่าพระนี่อาศัยชาวบ้านบิณฑบาตเขาฉันจากนั้นทําความชั่วชาติเสียหายเสยเองเพราะฉะนั้นบาปจึงบาปหนักกว่าฆราวาสฆราวาสเขายังทํามาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเองเขาก็ทำบาปตามกรรมก็ไม่ได้ทําบาปหนักอะไรมากมายแต่สําหรับพระเนี่เราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นมาบวชแล้วทํากรรมที่ไม่ดีทําสิ่งที่ไม่ดี บาปจึงทวีคูณเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามาบวชแล้วจะได้บุญทีเดียวไม่ใช่น ะ, ะบาปกรรมตัวนี้ทำให้เราตกนรกหมกใหมก็มีมากต่อมากอย่างพระกัปปิละภิกข u ตกนรกยังไม่ได้ขึ้นกระทั่งทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตสปะแล้วภิกษ u ที่เขามาบวชแล้วทำตัวไม่ดีหรือว่าคิดไม่ดี แต่ว่าใ น, นสงฆ์มีอยู่แต่ในช่วงที่ก่อนที่จะตายนะคิดไม่ดีอันนี้ก่อนเป็นบาป ก, กรรมเหมือนกันหลวงพ่อจะยกตัวอย่างให้ฟังมาในพระไตรปิฎกขั้นว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีพระองค์หนึ่ง เ, เป็นพระลูกวัดของวัดป่าเชตะวันออกไปเที่ยวทุโรงในป่าไปหา ส, สแสวงหาภาวนาตามภูผาป่าไม้ ไปก็มีศรัทธายายมเขาถวายผ้ามาชุดหนึ่งใคราทำผ้าจีวรได้ขนาดผ้าทาผ้าจีวรได้พระองค์นั้นก็เลยได้ผ้าผืนนั้นมาผ้าไม้นั้นมาผ้าจีวรของตัวเองก็คำคล้าพอสมควรแล้วกวรจะเปลี่ยนใหม่พอมากลับมาสู่วัดป่าเชตวันก็เลยมอบผ้าให้พี่สาวฝากผ้าให้พี่สาวเอาไว้ โยมพี่รักษาผ้าของอาตมาด้วยนะแต่มาอาตมาต้องการนะพระน้องชายต้องการเมื่อไร่อาตมาจะมารับเอ า, เอาไปตัดจิวรแต่อาตมายังเที่ยวป่าเที่ยวดงเที่ยวภาวนาอยู่จะถือไปก็ลาบากมันหนักขอให้โยมพี่รักษาให้ด้วยโยมพี่เขาก็รับเอาได้ท่านรับไว้จากนั้นพระองค์นั้นก็ไปหาเที่ยวทุดง อพอเที่ยวตุรงพอสงวรผ้าจีวรตัวเองก็ชํารุดค้าค่าลงไปเรื่อยๆผ้าจะขาดก็เลยกลับมาหาพี่สาวบอกว่าพี่ผ้าที่อาตมาฝากไว้น่ะอย่างไหมพี่สาวก็บอกว่าใช่มีอยู่ท่ า, านกานอาตมาขอผ้อานั้นไปตัดเย็บจีวรนโยมพี่พี่เขาก็ให้นะพอให้มาเสร็จแล้วท่านก็นําผ้านั้นมาสู่วัดป่าเชตตะวัน คือพระปาเชตะวันท่านเจ็เป็นเป็นหมวดหมู่เป็นคณะคณะคณะเหนือคณะใต้คณะตะวันออกคณะตะวันตกคณะเหนือคณะสีแดงสีเหลืองสูตรแท้แต่ท่านจะจัดเป็นคณะคือปกครองให้เป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่แต่ในพระองค์นั้นก็อยู่ในหมวดหมู่ในกลุ่มหนึ่งของพระสงฆ์วัดปาเชตตะวันจากนั้นท่านก็ได้พาผืนนั้นเข้าไปหาพระอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าคณะบอกว่าท่านอาจารย์ครับ ผมมีผ้ามาผมอยากจะให้ขอท่านให้ท่านอาจารย์ประกาศหมู่พวกเพื่อนให้มาลงขันกันตัดเย็บผ้าจีวรให้ผมด้วยเทิดครับผ้าจีวรผมชํารุดขาดแล้วครับอ อ, อาจารย์ก็เลยบอกให้แก่ออบรรดาประกาศในกลุ่มของตวนว่าเออพระองค์นี้ชื่อนี่นะออวันพวกนี้ขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านมาลงขันกันเพื่อตัดเย็บผ้าจีวรถวาย พาะการตัดเย็บผ้าจีวรสมัยครั้งพุทธกาลไม่มีจักเย็บผ้าเหมือนทุกวันนี้ถ้าทุกวันนี้มีจักเย็บผ้ า, าทำได้ง่ายาสมัยนะั้นเย็บด้วยมือก็ต้องใช้เวลานานแต่นี้พระเถระผู้ใหญ่ก็ประกาศพอวันรุ่งขึ้นพระสงฆ์ก็พร้อมกันอยากนั้นก็มาตัดผ้าผืนนั้นมาตัดมาตัดเย็บตัวเองก็เป็นเจ้าของจีวร เ, เจ้าของผ้าก็เออ เราน่าจะไปบอกพี่สาว เ, าเลี้ยงอาหารเพนกับพระสงฆ์ที่ทำที่ลงแขกเย็บผ้าจีวรให้เร า, เ, าเพราะว่าพระสงฆ์คงจะเหนื่อยในการเย็บตัดเย็บจีวร น, นั่งทั้งวีทั้งวันเราควรจะไปบอกพี่สาวให้ทำอาหารเลี้ยงพระสงฆ์หมู่พวกเพื่อนอพระองค์นี้ก็ไปบอกพี่สาวโยมพี่อาอตม า, อาขอบอกบุญให้จัดอาหารไปเลี้ยงพระสงฆ์ให้อาตมาโดยเทิด เพราะพระสงฆ์ลงแขกกันเย็บผ้าโยมพี่สาวก็อ้าวได้ท่านจากนั้นโยมพี่สาวเลยจัดอาหาร อ, าอย่างดีที่ว่ า, าที่ตระ ก, กูลของตัวเองเคยทานเคยเรับทานอย่างไรดังนั้นเขาเออกมาถวายทหารพระสงฆ์เตี๋ยพระที่เป็นน้องชายก็ไม่ได้ทานอาหารมีแต่อยู่ในป่าลงพงไพยทานอาหารมื้อเดียววันนั้นก็เห็นว่าพี่สาวทำอาหารอย่างดีถูกปากฮนะ เพราะอาหารในตระกูลมา ก, กพระองค์นั้นก็ชันอย่างเต็มอิ่มเลยเพระสงฆ์ทั้งหลายก็ชันอาหารเพนเสร็จแล้วก็ตัดย้อมจีวรตัดจีวรเสร็จพระองค์นี้นก็ไปย้อมจีวรพอย้อมจีวรได้ก็โอ้พ้าจีวร น, นี้ถูกอกถูกใจได้ขนาดอีกต่างหากสีก็พอดีความหนาบางก็พอดีเป็นที่ถูกใจมากจีวรพืนนี้ คือพระน้องชายที่ได้จีวรลใหม่เป็นที่ถูกใจมากพระสงฆ์ก็ยิบให้ดีอีกต่างหากนะแต่เด็เขาก็คิดอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดแต่วันพุ่งนี้เราคงจะได้คลองผ้าจีวรผืนนี้พอเราตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วทันทีพอถึงเที่ยงคืนพอถึงดึกสงัดขึ้นมาอาหารที่ทานอาหารเมื่อตอนก่อนเที่ยงอาหารเพลตน่ยมันเป็นพิษเท่นี่พอมันเป็นพิษอาหารก็เลย เป็นพิษอย่างแรงขึ้นมาจนพระองค์นี้ทุรนทุรายพน้นทีสุดก็เลยใจขาดนะก่อนที่ใจจะขาดนะี่ยเขาคิดโอ้ข้าคิดว่าข้าจะคลองผ้าจีวรผืนนี้วันพรุ่งนี้แต่ข้ามาตายเสียก่อนแล้วเออแต่ข้าจะคิดว่าข้าจะต้องคลองจีวรลผืนนี้เออผ้าจีบอผืนนี้เป็นของข้าที่ถูกใจที่สุดบรรดาที่ตัดผ้าจีวรมาผืนนี้น่เป็นที่ถูกใจที่สุดสําหรับข้าพระเจ้า จากนั้นผ้าองค์นั้นก็เลยตายตายใจขาดตายใจขาดขณะที่บอกคิดถึงผ้าจีวรลผืนนั้นอยู่พอใจขาดลงไปเท่านั้นแหละวิญญาณคือความนึกคิดหรือว่าวิญญาณคือตัวผู้รู้คือใจนั่นแหะคือพยาจิตราษนั่นไปปฏิสนธิไปอยู่ในผ้าจีวรผืนนั้นไปเกิดเป็นตัวเรนตัวไรตัวไรตัวเล็กๆไปอยู่ในผ้าจีวรลผืนนั้นคือว่า โอปปาติกะเกิดผุดขึ้นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าการเกิดของสัพพสัตต์ทั้งหลายชราพุชะเกิดในครันอันทชะเกิดในไข่สังเสตชะเกิดในเท่าในไข่โอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเกิดผุดขึ้นเคยๆเนี่ยเลนตัวนี้มาเกิดผุดขึ้นด้วยวิญญาณที่เข้าไปเป็นห่วงผ้าจีบอลจากนั้นพอไปเกิดที่นั่นแล้วจะนี่ พุ่งนี่เช้ามาพระสงฆ์ที่เป็นหมู่พวกเพื่อนก็อ้าวพระองค์นั้นตายแล้วตายเมื่อคืนเนี่ยที่เราตัดเย็บผ้าจีวรให้น่ะทั้งอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าคณะก็บอกเออถ้าตายแล้วก็เดี๋ยวฉันยังหันเสร็จแล้วก็ไปเผากันนะ เ, เพราะว่าสมัยนั้นเมื่อตายแล้วก็เผาเท่า น, นั้นนะ อ, อไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็เผาโดยมากเผาเสมากกว่าอจากนั้นพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าทีมก็เลย นำร่างพระองค์นั้นไปเผาประชุมเพลิงที่ข้างวัดป่าเชตะวันมหาวิหารพอประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วตกตอนเย็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าคณะก็บอกเออบริขารของพระที่ตายเมื่อวานนี่นะที่ตายเมื่อคือนเนีนะ่เอามาดซิมีอะไรบ้างคือเขาจะมารวมมารวมกันไว้มีบาทมีสังคาติกีวรสบงอังสะ สายประคตหรือว่าสมบัติของพระ อ, องค์นั้นละ่ะมีอะไรนามารวมกันอพอมารวมกันเสร็จแล้วพระสงฆ์ที่อยู่ในสังกัดเจ้าอยุในกลุ่มนั่นละ่ะมานั่งร้อมรอบพระเทระผู้ใหญ่ก็ประกาศเออีนพระที่ตายเมื่อวานนี้ใครเป็นคินล้านอุปาอุปถาใกล้ชิดพระที่อุปถาใกล้ชิดท่านผู้ตายเมื่อวานมีไหมท่าพีก็เอาเลือกเอากอ จะเอาบาทหรือจะเอาผ้าจีบอลหรือจะเอาอะไรของพระอาจารย์ของท่านให้สิทธิ์ก่อนอันนี้คือการแจกบริขารในครั้งพุทธกาลเพราะเป็นผ้าที่หายากในยุคสมัยนั้นเจไดก็พระอุปถากเลือกเสร็จแล้วพระเถระผู้ใหญ่ก็เอาในกลุ่มของเราองค์ไหนที่ชำรุดผ้าจีวอลชำรุดมากกว่าท่านก็ให้องค์นั้นไปหรือบาทองค์ไหนแตกให้องค์นั้นไปลักษณะอย่างนั้นแหละคือการแจกบริขาร ตอนนี้พระเถระผู้ใหญ่กำลังหาหรือกันอยู่เลนตัวนั้นแหละที่อยู่ในผ้าจีวรถึงจะเป็นตัวเลนก็จริงอยู่แต่ว่าใจของเลนตัวนั้นไม่ใช่เล็กเหมือนตัวเลนมันใจใหญ่นี่ได้ยินมดพระพูดอะไร เ, ะ เ, ะเลนตัวนั้นก็เลยวิ่งในผ้าจีวรเพราะเป็นห่วงผ้าจีวร อ, อย่างมากมบอกโอ้พระช่างร้ายกำลังจะแย่งผ้าจีวรข้าพระเจ้าเรนตัวนั้นมันร้องนะ พระทาั้งหลายกําลังจะแย่งผ้าจีวรของข้าพเจ้ามันวิ่งไปวิ่งมาพระสงฆ์เหล่านั้นก็ไม่ได้ยินเพราะเหตุอะไรบ่เล่นร้องใช่ไหมจะได้ยินได้ยังไงแต่พระพุทธเจ้าที่อยู่ในคันตกนดูดีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีหูทิพตตาทิพตใช่ไหมหูทิพตท่านได้ยินเสียงสัตว์นรกร้องว่าได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงที่แปลกนะท่านจะได้ยินท่านก็เห็นโอ้เลนตัวนี้มันร้องวะพระองค์นั้นอ่ะทิพตตายไปเป็นเลนน่ะ อยู่ในผ้าจีวรมันร้องอ่ะอาน o น์ไปบอกปะไปบอกสั่งระงับไปก่อนนะอย่าเพิ่งแจกผ้าจีวรผืนนั้นให้พระสงฆ์กลุ่มนั้นระงับไปก่อนอย่าเพิ่งแจกแจนกว่าเราตถาคตจะสั่งเป็นอย่างอื่นยังค่อยจัดการอย่างอื่นนะไปไปสั่งไปพระอาน o น์ก็รีบดุ่งมาเลยมาก็มาเห็นพระผู้นั้นกําลังล้อมรอบผ้าจีวร อ, อยู่พระอาน o ์ก็บอกว่า ท่านอาจารย์ครับหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายพระพุทธองค์มีพระบัญชามาว่าให้ระงับไปก่อนอย่าเพิ่งแจกผ้าจีวร อ, อัฐบริขารของพระที่ตายเมื่อวานให้เก็บไว้ก่อนครับผมจนกว่าจะได้รับคําสั่งเป็นอย่างอื่นครับผมพระ อ, อ น, นุลบอกเท่านั้นพระ อ, อ น, นุลก็กลัพระสงฆ์เหล่านั้นเอ๋ทาไมสงสัย อ, องค์อื่นๆทําไมไม่เป็นอย่างนี้ก็เลยเก็บบริขารไว้เก็บบริขารไม่ได้เจดวัน พอเล่นตัวนั้นน่ะอายุของมันไม่ได้กินอาหารไม่ได้มีอะไรเล่นตัวนั้นอายุมันเจ็ดวันมันก็ตายพอตายแล้วอันนี้สงศินของพระที่ท่านรักษาศีนมีอยู่อันนี้สงศีนอนนี้สงภาวนาของท่านมีอยู่แต่ขณะตายเนี่ยจิตใจมันไปปฏิสนธิมันคล่องเออมันคิดมันคล่องอยู่จุดนั้นจากนั้นก็เลยไปเกิดเป็นตัวนั้นก่อนแต่บัดนี้พออยู่นั่นเจ็ดวันแล้ว เ, เล่นตัวนั้นตาย พอตายก็ไปสู่สวรรค์ไปอยู่สวรรค์อันในสงสี น, น, นั้นในสงภาวนาที่พระองค์นั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วจากนั้นไปสู่สวรรค์พอไปสู่สวรรค์เ พ, พระพุทธองค์ก็บอกว่า อ, อนนท์ให้พระกลุ่มนั้นะแจกบริขารได้แล้วนะไปบอกไปพระ อ, อนนท์ก็เลยกลับมามาก็เลยมาบอกหัวหน้าบอกเออท่านอาจารย์คณะแจกผ้า อัิบริขารที่ผมมาสั่งระงับในวันนั้นน่ะให้แจกได้แล้วครับผมพระเถระผู้ใหญ่ก็ประชุมสงฆ์อีกก็เลยแจกอัิบริขารพอแจกเสร็จแล้วก็ยังสงสัยในใจเอ๊ะทําไมพระพุทธเจ้าสั่งระงับแล้วก็สั่งให้แจกเพราะอะไรจากนั้นพระเถระผู้ใหญ่กับพระสงฆ์กลุ่มนั้นล่ะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าพอไปกราบแล้วก็ได้ทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้าคะ่ะที่ท่านพระอานนท์ไปสั่งระงับ ไมให้แจกอัฐบริขารเมื่อเจ็ดวันก่อนแต่วันนี้สั่งให้แจกอัฐบริขาร น, นั้นด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าข่าพราะพระองค์บอกเออพระที่ตายวันนั้นน่ะไปเกิดเป็นเหลนอยู่ในผ้าจีวรที่เขาหวงแหนแต่บัดนี้เขาตายไปแล้วไปสู่สวรรค์แล้วเพราะฉนั้นเราตถาคตจึงให้อานนท์ไปให้แจกบริขารได้นะโอ้เขาทําไมเขามีอธิสง อ, อ่ ศีลอะไรสงฆ์ภาวนาของเขามีขนาดนั้นเขาทำไมจะมาเกิดเป็นเลนพระเจ้าข่า่พระพุทองค์บอกว่าเพราะความข้องใจในเพราะความก่อนที่จะตายเนะี่ยมันคิดถึงอะไรจะต้องไปอันนั้นก่อนนี่แหละอันนี้เขาขอฝากไว้กับคณะสัตธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่นั่งอยู่ที่นี่เพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตาย ه, ก่อนที่จะตายอยากพระฝรังถามอตมาภาพว่าก่อนที่จะตายก่อนที่ใจจะหลุดออกจากร่างนั้นน่ะจะทำใจอย่างไรจะคิดอะไรจะภาวานาอย่างไรจะยึดอะไรเป็นหลักจะปล่อยวางอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความเห็นของท่านอาจารย์ฮะอันนี้แหละจุดนี้แหละคือจุดที่จาเป็นและสำคัญอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราต้องฝึกเอาไว้ก่อนที่จะถึงวันนั้น ถ้าเราชวนเกียนนี่ค่อยไปฝึกวันนั้นมันฝึกไม่ทันหรอกมันต้องฝึกไว้แต่นเนินเ น, นิเพราะฉนั้นเราต้องยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดทานยึดจินยึดภาวนายึดคุ ณ, ค, ณคุณงามความดีเออเมื่อข้าพเจ้าป่วยหนักเข้ามาคราวนี้ไม่รอดแหน่เราก็ลำลึกเออบุญกุศลของข้าพเจ้าได้ทําในอดีตถึงปัจจุบันจริงไหนจะเป็นบุญเป็นกุศลขอให้มา เกื้อกูลหนุนขอให้มาสู่จิตใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปและคราวนี่คงจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาคงจะเอาร่างของข้าพเจ้าไปเผาฝไฟทิ้งเสียแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าเราได้เตียงพร้อมเอาไว้ถ้าเราได้คิดเอาไว้น่ะมันก็ต้องไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์ชั้นพรมหรือไปตามบุญกุศล ที่ตัวเองได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้แต่ถ้าว่าพวกเร า, เาไม่ได้ภาวนาไม่เคยทำใจไม่เคยคิดอย่างนี้ไว้ก่อนอาตายแบบเออระเหยลอยลมถึงข่าวตายก็ตายไปโดยที่ไม่คิดไม่อ่านแบบ เ, เหมือนกับของที่มันอยู่ในกลางทะเลนั่นจะเป็นขอนไม้เป็นอะไรก็ตามแล้วแต่ลมจะพัดไปที่ไหนไปเออระเหยลอยลมไปเรื่อยอาจจะไปติดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ อันนั้นแปลว่าตายไม่มีจุดหมายปลายทางตายด้วยความประมาทตายไม่ได้คิดเอาไว้ตายไม่ได้สั่งสมกุลงามความดีเอาไว้เพราะนั้นพวกเราคณะสัายาติโยมทุกหมู่เหล่าเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ได้ยินในวันนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทัน้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท เพราะร่างกายสังขารถึงยังไงจังไงต้องถึงจุดจบอย่างที่อาตมาได้ยกภาสิต์เบื้องต้นว่าอนิจจาวตสังขาราอุปาดาวะยธรร ม, มโนุปชิตตวานิรุจสันติเตสังวูปะสมุสโส ข, โขสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็แก่แก่และก็เจ็บตายในที่สุดการระงับสังขารไม่เกิดอีกนั่นละเป็นสุขอย่างยิ่ง อันนี้คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่จากนั้นก็ได้ยกเป็นพุทธภาสิต ท, ที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปริณิพานว่าขา ย, วายัวยธรรมมาสร้างฆาราอ ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติสังขารทั้งหลายเกิดมาและแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด อันนี้เป็นพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพานในวันเดือนหนกเพนก่อนที่พุทธเจ้าจะหยุดพูดหยุดตรัสเป็นคำออกมาก็ลงบอกว่าอขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ให้ทาหน้าที่ให้ดีที่สุดให้มีศีลห้าให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาให้เป็นคนดีสรุปแล้วคิดดีทาดีพูดดี สำหรับตัวเองและก็พร้อมกันก็ให้ช่วยเหลือชุมชนและสังคมสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมให้ช่วยคิดให้ช่วยทําในที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนั้นอันนี้แปลว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาททั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพทุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหลา่าที่ได้นั่งฟังธรรมเทศนาหรือว่ากล่าวสังเวย ทนิยกถาในวันนี้ก็ขอให้พวกเรานำไปคิดกันกลองไตรตองด้วยเหตุและผลออพวกเราจะจับประเด็นได้ว่าชีวิตของเราเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเหมาะสมในชีวิตของพวกเราท่านทาั้งหลายการได้กล่าวสังเวยทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระีรัตาตราย พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน